ธรรมชาดกแผ่นที่10ลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่3ตุลาคม2556มีชื่อเรื่องว่าสิงคาและมานพบเขารบ6ทิศ กอปอกลางของพวกเราเนี่ยทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอทําคุณให้กับประเทศชาติน้ําที่ไหนบอ่อน้ําที่ไหนสระน้าําที่ไหนอมีแต่ทำํำคุณอย่างตรวงพ่อเหมือนกันอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแต่ที่แรกสระน้ำเดี๋ยวนป้ายกลรปยังมีอยู่นะอยังติดไว้อยู่อที่แต่ทําสระน้ํา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 เวลาตกพอเย็นๆขึ้นมาก็บินขึ้นเป็นฝูงเป็นฝูงแต่ที่แรกมันก็บินต่ํากว่านะพราะบินต่ําปืนลูกสองเขาก็ยิงแต่นนั้นพอมันบินขึ้นมาบนอยู่ในวัดก่อนสูงขึ้นสูงมันจะค่อยออกไปมันก็ฉลาดเข้ามันเหมือนกันนะเออนกเป็ดเออเห็นแล้วโอ้นาสงสารพอตีสี่ที่ห้ามาล้วทิบจับที่แจ้บทีแจ้บลงมาลงลงลงลงลงเลยอ มันมาพักช่วงหน้าหนาวเขาว่ามันมาจากชายบีดลุงบีเรียเขาว่าแต่ลุงพ่อก็ไม่รู้แล้วชายบีเรียอยู่ที่ไหนแต่ว่ามันหนาวจากที่นูน่นมันก็เลยมาหลบอยู่ที่เมืองไทยะแต่ก็มาเห็นอยู่ที่โอ้โหเยอะจริงๆในวัดของเราแต่ลุงพ่อก็บอกนะเอพระจะไปใกล้นะอถ้าไปก็ไปกลางกลางคืนจะไปหวานข้าวเปลือกแ่นะทิ้งทแถบแถบขอบศาสถ้าจะให้มันกินนะอหวานขอบข้าวเปลือกให้มันกินอแต่ กลางวันน่ยอย่าเข้าไปใกล้มันนะเดี๋ยวให้มันผาสุถ้าเราไปใกล้มันบินขึ้นท้องฟ้าแล้วก็มันไม่ดีเป็นอันตรายกับมันด้วยอันนี้แหละคือจบแล้วก็คือโยนิสะกลรอพกางเหมือนกันแต่มีสะหนึ่งอะมีสองสามส ะ, สะ่ก็ยังยังดีอยู่ยังมีน้ำอยู่แต่ลวงตาท่านก็บอกนะเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่จะขุดสะไหนบอกนะอ่าเดี๋ยวเใครเข้า่า เรื่องเงินไม่มีปัญหาท่านจะให้ลักษณะอย่างนั้นน่ะเอ่ที่ลงตาเนะี่ยท่านปวนารณาท่านจะให้เรื่องเงินจะขุดสะไหนที่จะเป็นประโยชน์เออแต่เราคิดว่าโอ้พอละขนาดเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะแห้งพอลงตาจากไปน้ําแห้งโอ้ยังคิดถึงหลงตาอยู่เหมอนน่ะโอ้ถ้านลงตายังอยู่คงคงจะคงจะขุดขุดสะให้เอน้ํำมาให้มันแห้งนะ่ะให้ได้แต่เ น, นอ้ น้ำแห้งแหละปีนี้เออขอฝากไว้กับท่านโยมออผู้การพออพลตรีเกียงศักดิ์หมีทองผู้อนวยการสานักงานพัฒนาภาคสองแล้วก็ท่านรองทั้งสองท่านพันเอกท่านนัทรัฐพลอยภัยสารแล้วก็พันเอกมนตว์วีวรรณบูรณรอง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 หลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเหมือนกับพวกเราอยู่ในทิศหกทิศหพระพุทธเจ้าอ่ะ 6, พวกเราอยู่ด้วยกั น, นคือทิศหกทิศหกเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเด็จประทับอยู่ที่กรุงพระราชคือวันนั้นพระองค์นั่งสมาธิจวนสว่างใกล้รุ่งพระองค์นั่งสมาธิจากนั้นพระองค์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 อยู่ในกรุงราชจะคือสิงหาลมานพเป็นเด็กหนุ่มแต่นิสัยดีมีมารยาทดีมีคุณธรรม เ, เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีในจิตใจจิตใจของสิงหาแลมานพนั่นแปลว่าล้นหลามด้วยคุณงามความดีแต่ท่านก็เป็นลูกเศรษฐีพ่อไปส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองตะกัศิลาเมืองตะกัศีลาทุกวันนี้เขาบอกว่าเมืองทลีบันนะ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 ให้อ่อนน้อมถ่อมตนเคารพคารวะทิศทั้ง6กนะลูกนะแต่พูดไม่นานจากนั้นพ่อก็เลยตายใจขาดตายพอตายแล้วสิงคาลมานบเนี่ยก็จัดการงานศพของพ่อสมเกียรติเพราะเราเป็นเศรษฐีพอจัดงานศพพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วสิงคาลมานบเนี่ยก็คำว่าให้อ่อนน้อม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 แต่ในพระสิงขารมานพเขาปฏิบัติตามที่พ่อสั่งทุกประการแต่นี้พระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์ที่วัดปาเวลวันพระ อ, องค์นั่งสมาธเิเล่งยานดูสัตวโลกคือเล็งเล่งเลด้าจากพระไทยของพระพุทธเจ้าไปไปเห็นสิงขาลมานพแต่เป็นเด็กดีมีมารยาทดีมีความซื่อตรงแต่ว่าที่ ได้รับคำสั่งจากพ่อนั้นอ่ะพ่อไม่ได้อธิบายว่าทิศทั้ง6นั่นคืออะไรแต่สิงคารมานุปปัตติทั้งหก็คือทิศเหนือทิศใต้ธรรมดาเหมือนกับคนทั่ ว, ท, ว, ท, ว, ท, วทั่วไปคิดเ่ยเขาก็เลยปฏิบัติตามแต่ปฏิบัติอย่างนี้มันไม่ถูกพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วไม่ถูกแต่วันนั้นท่านก็เลยตอนเช้ามากันพระพุทองค์กับพระอา น, นุลท่านก็พระอา น, นุ์เขาไปบินทบาทตามหลังพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์เดินก่อนพระอนุลตามหลังไปก็ไปเดินไป เ, เดินไปไกลๆตรงที่สิงค์คารามานกกาลังกราบไหว้ทิศทั้งหยกมือไหว้ทิศทั้งหกนอบน้อมต่อทิศทั้งหกอยู่พระพุทธองค์ก็ถามว่าสิงค์ารมานพเธอทําอะไรสิงค์ารมานกก็กราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าข้าพระองค์กราบไหว้ทิศทั้งหกพระเจ้าขา่า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 เธอได้ถามบิดาแม่ทิดทั้งหกนั่นคืออะไรไม่ได้ถามกับผมเพราะว่าบิดาป่วยหนักจากนั้นท่านก็ได้มรณะลงไปสิงคารามานพกราบถูนพระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าสิงคารามานพการกาววาราบไหว้คารวะน่อบนอทิดทั้งหอย่างที่เธอทำไม่น่าจะถูกนะตามบัณฑิตนักปราชญ์ที่ท่าน เ, เคยพูดอธิบายมาในอดีต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 อันนั้นไม่ดีให้เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีถ้าผู้ใดมีมิตรที่ดีแล้วจะทํามาค้าขายจะทํางัดราชการระดับไหนก็ตามมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพราะเราได้มิตรสหายเป็นที่ปรึกษาเป็นที่อยู่ด้วยกันปรึกษาปารถกันแล้วก็ไปด้วยกันมีอะไรเกิดขึ้นก็นั่นช่วยเหลือเจือจานกันมิตรสหาย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 การปฏิบัติต่อคนทั้งหกประเภทนี้ปฏิบัติตนอย่างไรถ้าว่าพวกเราทำได้อย่างนี้มีแต่ความเจริญด้วยส่วนเดียวฮะ เ, เพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะสัายาติโยมลูกหลานทุกคนนะมีท่านคุณโยมผู้การที่ได้มาเป็นประธานในวันนี้ได้พาลูกพาหลานเข้ามาสู่วัดว า, าศาสน า, อาขอให้พวกลูกหลานทั้งหลาย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 ประเทศชาชาติจิบหายนะเท่าคนในชาติยังทะเลาะเบาะแวงกันพัฒนาไม่ไปล่ะอ ย, อยู่กับที่เลยเพ้อเพอถอยหลังอีกต่างหาก เ, เขาที่เป็นเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังเขาแซงหน้าเขาไปได้อย่างสิงคโปร์มาเลอย่างเนี้อยอก็น่าอับอายขายหน้าไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะฉนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆคนลูกหลานทุกคนที่เป็นคนในชาติอันนี้ผู้หลงพ่อพูดใน ฐานะพระป่าพระดงอยู่ในป่าดงพงไพ่ตัวหลวงพ่อก็มีแนวความคิดเหมือนกันเพราะเป็นห่วงประเทศชาติเหมือนกันจะทํำยังไงจึงจะทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญหลุดหน้า เ, เป็นผู้นําเขาไปได้อย่างหลวงพ่ออยู่ในป่าเหมือนกันหลวงพ่อก็ไม่ได้นิ่งดูได้หลวงพ่อนู่นไปสร้างโรงพยาบาลบัง่งเครื่องมือแพทย์บัง่งโรงเรียนบ้างไม่รู้กี่แห่งกีห่หน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 หลวงพ่อจะได้เปิดเนี่ยเปิดเดือนตุลาเนี่ยไม่ทันนะก็ค ง, งจะนู่นละออกพรรษากระถินผ่านไปแล้วละ่ะหลวงพ่อจึงจะไปเปิดเดี๋ยวนี้ถ้าเขาว่าหนีไฟก็ว่าหนีไฟคำนี้ค่อยๆท่ามาไฟไหม้ตึกหลวงตาก็จะหนีมาตึกหลังนี้ทำสะพานเชื่อมมาเจ็ดสะพานแล้วก็เป็นที่จอดรถทั้งหมดได้ประมาณเจ0ดร้อยคันตึกหลังนี้นะท่าเขาว่าจอดแบบ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 ต่อชาติบ้านเมืองอยู่เสมอเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือโตอื่นก็มิเหมือนกันโรงพยาบาลศีนะครินขอนแก่นหนะลวงพ่อยังเป็นประธานมูลนิธิหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นอีกต่างหากนะนั่นแหละถ้าอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ยพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายคงจะคิดว่าโอ้หลวงพ่อนี่ได้ช่วยเหลืออะไรต่อชุมชนสังคมบ้างแต่ถ้าจะให้หลวงพ่ออธิบายให้ฟังเนี่ยวันนี้คงจะใช้เวลานานทีเดียวนะ อย่างโรงพระยโรงเรียนท่าบ่อหลวงพ่อไปตึกไปสร้างให้อำนวยการสร้างให้ตึกสามชั้นโรงเรียนท่าบ่อโรงเรียนน้ำโสมกั2สองชั้นหลังสัหลังละสชั้นเหมือนกัน15ห้องเรียนโรงเรียนท่าโสมโรงเรียนนางวัวแล้วก็อำเภอเชียงคานหลังหนึ่งอำเภอจังหวัดเลยหลังหนึ่งอีกทางเข้าไปเนี่ยอำเภอเอราวัต อำเภอเอราวัณในหลังหนึ่งเนี่แหละหลวงพ่อเองจังคําที่อมุกดาหารหลวงพ่อก็ได้ไปสร้างอีกเหมือนกันหลายหลังที่นายุปั้นาคําน้อยหลวงพ่อก็สร้างอีกนะเพราะฉนั้นอาคารเรียนหลวงพ่อก็ไม่ได้มองข้ามเพื่อลูกเพื่อหลานเพราะนั้นสาธารณประโยชน์เนีหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามนะคณะศรัทธาญาติโยมที่มานั่งฟังที่หลวงพ่อพูดเนี่ยส่วนวัดวาศาสนาหลวงพ่อก็ได้ช่วย ที่จะถูกปัจจัยศรัทธาญาติโยมได้มาหลวงพ่อแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งหลังแบ่งสรุปแล้วก็คือแบ่งเฉลอเจือจานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมต่อพระพุทธศาสนานี่แหละอันนี้ก็คืออติเลกลาบได้มาโดยชอบธรรมแล้วก็แบ่งปันให้กับกลุ่มหน่วยงานที่จะเกิดประโยชน์ต่อ่วนรวมนะการ บอกกล่าวแนะนำวันนี้ก็คิดว่าจะพูดสั้นๆนะก็พูดเสียยืดยาวเออขอจบเพียงเท่านี้น่ะเนอะ